เรื่องที่สองความสุขทุกแง่ทุกมุมตอนที่สองบรรยายตามคำอาราธนาของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนบริยนรู้จิตปัญญาอย่างมีส่วนร่วมในวาระที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณสาครธ น, นมิตรมีอายุครบ80ิปี บรรยายเมื่อวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามณวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพ ร, รานจังหวัดนครปฐมเมื่อกี้อาตมมาพูดไว้บอกว่า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 ต่อไปอันที่สามเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่เข้ากับความหมายที่ว่ามัแล้วอันที่สามก็คือความสุขที่ไม่ต้องขึ้นต่อการสนองความอยากใดๆไม่ต้องขึ้นต่อการสนองตระหนไม่ต้องขึ้นต่อการสนองชันทะเป็นความสุขที่เป็นอิสระความสุขระดับนี้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 เพียงแต่ว่าความสุขของท่านไม่ต้องขึ้นต่อการสนองชันทะนั้นต้องย้ำของนี้นะหนึ่งความสุขที่เกิดจากการสนองตัญหาสองความสุขเกิดจากการสนองชันทะสามความสุขที่ไม่ขึ้นต่อการสนองทั้งตัญหาและชันทะโดยที่ผู้นั้นก็มีชันทะอยู่เต็มเปี่ยมบริบูร์เพราะได้พัฒนาชีวิตมา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 ก็ฉันทานี่ไม่มีลดน้อยเลยก็อยู่ในฉันทาที่ไปบำเพ็ญพุทธกิจแล้วก็แสดงเมตตากรุณาใช่ไหมโนโรพระเจ้าไม่ต้งองหยุดเลยสี่สิห้าภาษาเรียกภาษาชาวบ้านว่า น, นอนกลางดินกินกลางทรายเดินไปตลอดวันตลอดคืนไปทำจะเรียกว่าหน้าที่พระเจ้ทาที่จริงก็ไม่ได้เป็นหน้าที่หรอกทำด้วยความเต็มใจ องศ์ก็ไปด้วยมหาการุณาใช่ไหมเนี่ยกรุณานั่นก็คืออยู่บนฉันทะนั่นเองแล้วฉันทะก็คือการไปทํางานไปซ้อนไปอะไรแต่ไรพระพุทธเจ้าไม่มีลดน้อยฉันท ะ, ะนั้นเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเลยนะ mm hmm. การที่มีฉันทะเต็มเปี่ยมไม่มีลดน้อยเนี่ยเป็นพุทธธรรมประการหนึ่งในสิบประการพระพุทธเจ้าและพระรานทั้งหลายมีฉันทะ เต็มที่แต่ความสุขของท่านไม่ขึ้นต่อการสนองชนทะคือท่านมีความสุขอยู่แล้วเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองในที่นี้ตมาก็เลยไปอันว่าแบ่งความสุขให้สามขั้นหรือสามระดับนี่แล้วถ้าเราจะแยกสุขสามระดับนี้เป็นภาษาง่ายๆอาจจะใช้คําทํานองนี้เสนอไปชัดไม่ชัดก็ลองไปช่วยหาคำมาให้ดียิ่งขึ้นกันเล คือมันมีสุขที่ต้องหาก็ความสุขประเภทที่หนึ่งความสุขที่สนองตัณหาในแบบประเภทความสุขที่ต้องหาเพราะว่าพวกสิ่งสนองผัสสะนี่มันเป็นวัตถุมันอยู่ภายนอกต้องไปหาต้องไปเอาเป็นความสุขที่ต้องหาทีนี้ประเภทที่สองเป็นความสุขที่สร้างขึ้นได้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 ตอนนี้สนุกไหมกับการเล่นนะั้นไม่สนุกแหลนะนีจะเอามาให้ก็ไม่ชอบไม่เอาเห็นมีความสุขอะไรนะีแต่สําหรับเด็กนั้นมีความสุขอย่างยิ่งเป็นของจริงจังถ้าไปแย่งเข้ามาแล้วจะเป็นจะตายเลยนะอยังแม้แต่หมอนที่เขารักสุดชีวิตเนี่ยเออจะดําปีอยู่แล้วยังรักของเขาอย่างมากเนะี่ยแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วไม่ได้มีความสุขอย่างนั้นอีกแล้ว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 ไปเห็นเด็กเล่นของเล่นมีความสุขก็จะมีความรู้สึกของตนเองต่อเด็กที่เล่นอย่างนั้น แ, และท่านก็เลยเทียบเนี่ยบอกว่าความสุขเนี่ยมีการพัฒนาอย่างนี้แล้วก็ยกตัวอย่างอันหนึ่งคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนก็ขัน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 กายิ่กสุกกระเจตสิกสุขความสุขทางกายเรียกว่ากายยิ่กสุขความสุขทางใจเรียกว่าเจตสิกสุขอย่างนี้ก็คู่หนึ่งหละอัลกัจเช่นสามิสสุขนิรามิสสุขความสุขที่อาศัยอามิตรนะต้องอาศัยวัตถุสิ่งของที่จะเสดอย่างหนึง่งแล้วความสุขที่ไม่ต้องขึ้นต่ออามิตรไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งของอะไรก็เรียกว่าเริ่มเป็นอิสระเนี่ยอีกแบบหนึง่งนี่ก็คู่หนึ่งหรือยอย่าง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 แล้ความสุขกับธรรมชาติการไปอยู่กับธรรมชาติมีความชื่นชมความดีความงามของสิ่งทั้งหลายอย่างพระละหันแนนในคำพีมีที่ท่านกล่าวคาถาไว้แสดงความสุขในเวลาอยู่สงัดกับธรรมชาติบนภูเขาอะไรต่างๆอย่างพระมหากระสปะเนี่ยท่านไปอยู่บนภูเขาท่านก็กล่าวเป็นคาถาแสดงความชื่นชมธรรมชาติอันนี้ก็มีอยู่ทั่วๆไปหรือยอย่าง พระกาลุทธายีนิมนต์พระพุทธเจ้าเสเด็จไปกรุงกบิลพัทพรรณน า, นาถิ่นพรรณนาทางเสเด็จเป็นคาถาพรรณนาธรรมชาติงดงามเนี่ยเท่าไรอาตมาจำไม่แม่ร้อยหกสคาถาหรือไงเนี่ยพรรณน า, นาถิ่นพรรณนาความงามของธรรมชาติบนเส้นทางเสเด็จเพื่อจะนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสเด็จไปกรุงกบิลพัท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 เมื่อเขาจะทำอะไรผิดพลาดเราก็วางใจอยากให้เขาดีแต่ต้องเป็นไปนในทางที่ถูกต้องชอบทำก็อยู่ในอุเบกขาไปก็ลักษณะสีอย่างเนี้ยคือธรรมะนันนี้จะทาให้คนมีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะเป็นความสุขรวมกันถ้าเป็นความสุขแบบการมาสุขความสุขที่อาศัยอมิตรวัตถุภายนอกเนียจะเป็นความสุขแย่งกันแย่งกันสุขชิงกันสุข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 จึงแน่นเหลือเกินเรื่องเมตตากรุณาพุทธิตาเบขาตรัดไม่รู้กี่แห่งในด้านหนึ่งก็ตรัสเรื่องก a r สูก่ก็จะจัดการยังไงให้มันถูกต้องมันชอบทำให้มันไม่เสียหา ย, ยพระองค์ก็ยอมรับควาเป็นปสุข ก, กาม m ก็มีอัศทะมีอาทีนวะแล้วก็นิสรณะนิสรณะก็มาสู่การพัฒนาความสุขที่สูงขึ้นไปก็เริ่มด้วยการพัฒนาความสุขทางสังคมความสุขทางสังคมที่มันช่วยที่เราไม่เอาใจ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 คุณธรรมชันทะที่มีในเชิงสังคมอันนี้กรรมาก็เพียงแต่ยกตัวอย่างมาเน้นให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่อันนี้แล้วมีการมาสุขที่อาศัยอามิตรที่เสบได้เอาเพื่อตัวแล้วความสุขถึงสังคมฉันทะที่เป็นไปแต่เพื่อนมนุษย์เมตตากรุณามุ้ทีตาเบิกขาที่ทำให้เราก็มีความสุขร่วมกับเพื่อนมนุษย์แล้วกระตุ้นเล่าให้ไปทาความดีช่วยเหลือกันอะไรต่าง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 ชื่อก็แปลกนะธรรมสมาธิมีห้าคอหนึ่งปราโมทความร่าเริงเบิกบานใจนะความร่าเริงบันเทิงใจปราโมทนีเนเน่เป็นคุณเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของจิตใจซึ่งทุกคนควรจะมีตลอดเวลามีพุทธพจน์ตรัสไว้อย่างในธรรมบทเนี่ยปราโมชะเพาโลภิกขุปสรรโนพุทธสาสเน แล้วก็จะลงท้ายบอกว่าอธิคัดเฉไปทางสันตังสังขารูปรสมังสุขังก็บอกว่าภิกษุผู้มากได้ปราโมทเรืวมใสยในคำสอนของพุทธเจ้าจะบรรลุถึงสันต บ, บทคือนิพานอันเป็นที่สงเป็นสังขารหรือบางแห่งก็บอกทุกขัดสันต่างการติสติจะทำทุกขให้หมดสิ้นไปก็หมายความว่าคุณสมบัติประจาใจของมนุษย์อันหนึ่งที่สาคัญ ที่แสดงว่ามีทางพัฒนาการและกำลังพัฒนาอยู่ก็คือมีปราโมทคือมารังเริงเบิกบานใจพื้นใจตลอดเวลาถ้ามีมากเรามีหวังไปนิพพานได้อยู่ใกล้นิพพานแล้วปราโมทชาพูโลนิภูมิมากได้ปราโมดเนีต่อไปข้อสองหนึ่งปราโมทร่าเริงบันเทิงเบิกบานใจสองก็ปิติความอิ่มใจปลื้มใจ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 เป็นความสุขประเภทเอื้อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาของชีวิตและสังคมไปเองเขต้องข้ามเลยแทนที่จะมาเป็นตัวบีบคั้นบั่นรอนถ้าเป็นการมาสุขนี่มีหวังมาทําให้เบียดเบียนกันบั่นรอนกันก็เลยต้องข่มแต่อันนี้กลายเป็นต้องหนุนความสุขสองอันเนี่ยมาหนุนการพัฒนาชีวิตเป็นไปในทางที่ดีอันนี้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 เป็นจิตบริหารจิตตาอลังการเป็นอลังการของจิตแล้วก็เป็นบริขารของจิตเป็นเครื่องช่วยประดับจิตทำให้จิตมันงดงามทำให้เดินหน้าไปในการพัฒนาได้อย่างบะเพ็ญสมถะวิปัสสนาก็ช่วยให้บะเพณญสมถะวิปัสสนาได้ง่ายมันจิตมันเปิดมันทำให้จิตเนี่ยโล่งออกไปการไปให้ไปสละอะไรต่เพราะฉะนั้นท่านไม่ให้ขาดเพราะฉะนั้นคฤหันี้ไม่ว่าจะไป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 ฉันมาถึงขั้นภาวนาแล้วฉันไม่ต้องทานและอะไรงี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีทานอยู่ต้องช่วยเหลือแล้วมันจะมาเป็นอย่างที่ว่าพทธเจ้าตรัดเป็นจิตตาลังการเป็นจิตบริขารแล้วช่วยให้การาประเพณสมัติานวิปัสสนาได้ผลดียิ่งขึ้นมันเปิดจิตธรมจิตโล่งโปร่งเบาสลัดออกไปผ่อนคลายนั่นในแง่คารุัสทีนี้ในแง่พระ แล้วในแง่พระภิกษุละสังคมของพระอย่าไป น, นึกว่าพระจะไม่บวปฏิบัติ ร, รมสมถะวิปัสนาดูวินัยสิหลักธรรมของท่านนะ่เรื่องของพระนี่พื้นฐานต้องเน้นก่อนก็มีหลักธรรมที่เน้นทั้งในพระสุตตันตปิฎกและวินัยปิฎกนะหลักธรรมชุดนี้แปลกนะเน้นทั้งในวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก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 เมตตากายกรรมมีการแสดงออกต่อกันทางกายด้วยเมตตาช่วยเหลือเพื้อเื้อกันนะมีอะไรต้องช่วยก็ช่วยกันในทางกายสองเมตตาวจิกรรมพูดจ้าได้ใจรักกันเลกใจปรารถนาดีถ้อยคำสุ ภ, ภาพอ่อนโยนปรารถนาดีแนะนำอะไรต่างๆสามก็เมตตามนโนกรรมคิดต่อกันในทางที่ดีมีใจหวังดีปรารถนาดีต่อกัน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 พุทธเจ้าเน้นเรื่องวัตถุนี่เน้นมากสําหรับพระนี่วินัยมีแต่เรื่องวัตถุ ก, กับสังคมเะนั้นจะไปมองดูธรรมะพุทธศาสนาเฉพาะในหลักธรรมอย่างเดียวถ้าเรียกว่าธรรมวินยัยต้องดูให้ครบวิ น, ยนัยในด้านวัตถุ ก, กับด้านสังคมทั้งนั้นเลยแล้วก็ต่อไปศีร ส, สามนตามีศีลเสมอกันเสมอกันต่อหน้ากฎหมายนอกจากนั้นก็คือว่าประพฤติให้มันเสมอกัน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 บอกว่าได้เดนอนแผน่เมตตายอยู่ในมุ้งหวังเงนเคยอ่านไหมเมื่อสัก4ี่หสิบปีแล้วมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเขียนเรื่องสังคมเซาว์เอเชียวิเคราะห์ประเทศไทยอะไรนี้ด้วยแล้วก็พูดถึงการปฏิบัติ ธ, ธรรมคนไทยเออท่านนี้เดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกมาอยู่ในคณะที่ตอนจะตั้งคณะรัฐประศาสนาศาสตร์ไปเป็นนิดาจากธรรมศาสตร์นตอนนั้น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 อยากไรเจ็บใครได้ป่วยก็ไปให้ให้ด้วยการุณาสามก็าทำความดีสร้างสรรค์ทิ่งที่เป็นความเจริญงอก ง, งามของสังคมเป็นนักประดิษฐ์อะไรต่างๆขาดแคลนเงินเราก็ไปช่วยเรียกว่าให้ด้มุติตาไปให้เพื่อส่งเสริมนี่อาและทานข้อเดียวเนี่ยแสดงออกสข้อในสังฆวัตถุสี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 หาทางที่จะแก้ไขปัญหาอะไรแต่ละให้กําลังใจอันนี้เรียกว่าปิยาวาจาด้วยกรุณานี่เขาทําความดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไปทําบุญทํากุศลแล้วก็พูดอนุโมทนาส่งเสริมเรียกว่าปิยาวาจาด้วยมุทิตาทีนี้ต่อไปก็สมอัตถจริยาบําเพ็ญประโยชน์ทําประโยชน์แก่เขาทําด้วยความรักความปรารถนาดีในยามปกตินี่ก็ได้ก็เรียกว่าอัตถจริยาได้เมตตา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 พระโพิสัตว์ท่านปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีด้วยการไปช่วยคนอื่นใช่ไหมการช่วยผู้อื่นนั้นปฏิบัติธรรมอย่างดีเลยเพราะมันต้องใช้ปัญญาความสามารถการฝึกตนอย่างสูงไปช่วยแก้ปัญหาเขาทีหนึ่งนี่แม้กว่าจะแก้สําเร็จเรานี่พัฒนาเยอะเลยสติปัญญาความสามารถอะไรๆนี่พัฒนาเยอะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องไปในลักษณะที่พระเจ้าตรัสไว้ พระพุทธเจา้าตัดเป็นคู่ไว้นี่หนึ่งโคที่หนึ่งไม่เบียดเบี ย, บยตนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นต่อมาก็ทําประโยชน์ตนทําประโยชน์ผู้อื่นคู่กันอัตตถาป ร, รัตถะคู่กันถ้าแยกเป็นสามก็อัตตถาป ร, รัตถะอุปยัตถาประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ร่วมกันแต่โดยมากก็แบ่งแค่สองพอประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นสองอันนี้จะเป็นคู่กันอยู่เสมอ อก็ให้โยมสังเกตไว้ก็เป็นอันว่าเอาเรื่องนี้มาเน้นไว้หน่อยแล้วของพระนี่นอกจากเน้นเรื่องปัญญาบก็คือเน้นเรื่องความสามารถขีถือเรื่องสังฆสามัคคีนี้สําคัญมากตรงข้ามสังฆเพทนี่ถือเป็นอนันตริยกรรมบาปหนักที่สุดเลยฉะนั้นถือเรื่องความสามารถขีของหมู่ชนนี้เป็นอันดับหนึ่งอย่างพระสาวกฝ่ายกระหัส ท, ที่ได้รับยกย่องเป็นเอตัคคะเนี่ย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 จะเรียกว่าอัครอุบาสกก็ได้นะอุบาสกถือเป็นยอดเป็นคู่หนึ่งก็คือช่านจิตตะขณาบดีเป็นเลิศทางธรรมกัึกเป็นนักแสดงธรรมเก่งในพระไตรวิฎกมีหลายแห่งที่เป็นพระสูตรของท่านขณบดีผู้นี้ไปพูดธรรมมาให้พระฝังด้วยเป็นเอตตะคะ แล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อหัตถาลวกะเป็นเอตตะคะในทางรวมใจหมู่ชนหมายความว่าสร้างความสามัคคีสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคมด้วยหลักสังขาวัตถุสี่เนี่ยก็คือท่านหัตถาลวกะ น, นี้เป็นผู้สามารถในการใช้สังขาวัตถุสี่ประการทําให้หมู่ชนของท่านเนี่ยอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีแน่นแฟนก็เป็น อัครอุบาสกเป็นเอตถะคะเลยแล้วก็อุบาสิกาเอตถะคะท่านหนึ่งก็ขุดชุตราเป็นเอตัะคะทางพระหูสูตรหูสูตรก็คือเป็นผู้ที่ได้เรียนได้ทรงจำมากมีพระสูตรอยู่ในราสักแปดสิบสูตรได้ใกล้ๆจำนวนเนี้ยที่มาจากท่านขุดชุดราเป็นผู้รักษาไว้ ในพระไตรปิฎกเล่ม25คือท่านเป็นอุบาสิกาแล้วก็ไปฟังตอนพระพุทธเจ้าประทับที่เมืองโกสัมผีไปฟังประจําทุกวันแล้วท่านเป็นผู้มีความจําเลิศเก่งท่านก็จําได้แล้วก็เอามาสาธยายให้ภิกษุณีฟังภิกษุณีก็เอามาบอกกับภิกษุทั้งหลายเวลาสังฆนิาก็เอามา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 คือในเชิงสังคมก็มีพรมวิหารสี่เมตตากรุณามุติตาเบกขาและจะออกสู่การปฏิบัติก็สังหาวัตถุสี่แต่ในใจก็คือให้มีพรมวิหารสี่ซึ่งจะเป็นตัวทำให้เกิดความสุขร่วมกันแล้วก็อีกอันหนึ่งพร้อมกันนั้นในใจของตัวเองเพื่อพัฒนาการในชีวิตของตนก็ให้มีชุด5ธรรมสมาธิเนี่ยปราโมทปิติปสัสสิสุขสมาธิอันนี้ต้องให้มีอย่างน้อยข้อที่หนึ่งให้มีประจาใจ พระพุทธเจ้าตรัสเน้นไว้เสมอแม้แต่พระโสดาบันเนี่ยพระพุทธเจ้ายังตรัสพระโสดาบันเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมของท่านไปเนี่ยพระองค์ทรงอุปมาว่าเหมือนอย่างแม่โคแม่โคเล็มหญ้าไปก็ดูแลลูกน้อยไปด้วย น, วนี่ว่ากันให้คนทั้งหลายเนี่ยถ้าจะประพฤติอย่างพระโสดาบันก็ต้องประพฤติอย่างนี้นีไม่ใช่ไป